พ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การที่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ใดอาศัยสติสำปัจญญะเป็นเครื่องประครับประคองไว้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 สติแปลว่าความระลึกได้ในสติในที่นี่หมายเอาระลึกเข้ามาที่กายระลึกเข้ามาที่ใจอืธสัมประชันยะความรู้ตั ว, วรู้ว่าตนกําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้นอะในขณะนี้ตนกําลังนั่งสมาธิอยู่ กำลังน้อมใจลงถู่ความสงบไม่ใช่เวลาทำการงานไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเป็นหน้าที่ของสมปัจฉญะจะรู้สึกตัวอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สติก็กากับจิตไ้เรื่อย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 ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เตือนตนเข้าไปอย่างนั้นความจริงก็ไปอย่างนั้นจริงๆความคิดมันจะมีตัวอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีตัวมีตนอะไรแต่เมื่อจิตมันหลงแล้วมันเข้าใจผิดคิดว่าความคิดนันเป็นตัวเป็นตนอ คิดทางเงินหาทองอย่านี้เข้าใจว่าความคิดมันเป็นเงินเป็นทองไปจริงๆเนี่ยนะได้เงินได้ทองมาหัวตามสังขารที่มันพูงแต่งสัญญาความจำหมายและสาคัญวนะ่าตนจะได้เงินได้ทองมาจริงๆนี่เราเรียกว่ามันขาดสัมปชัญญะอืม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 เช่นอย่างบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะถ้าถ้าพุทโธนั้นให้กากับอยู่กับจิ ต, ตอย่าส่งออกไปข้างนอกจิตมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้นะหรือเราดำรีเอดเรื่องดูร่างกายสังขารอย่างนี้นะร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงหรือหรือไม่ใช่ของเรา เรากําหนดเพ่งอยู่ภายในในดูอยู่มันก็เห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเราเป็นเช่นนี้ความคิดอันนั้นมันก็ไม่พุ่งทราไปทางไหนอะ่ะเมื่อเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราของเขาแล้วสิ่งอื่นนอกร่างกายนี้ออกไปมันก็ยิ่งแล้วยิ่งไม่ใช่ของเราของเขาอะไร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 นับเอาทั้งแต่เงินทองผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยเมื่อออกไปนะมันรวนแต่รูปที่ไม่มีวิญญาณคลองทั้งนั้นเลยเาะนั้น <c oughs> สับบังรูปังรูปทั้งหมดกดสักว่าแต่รูปเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรา เนโซหมาสมินันไม่เป็นเรานะเมโซอัตตาตินันไม่ใส่ถั่วตนของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนัตตรกนสูตรต้องให้ดำริอย่างนั้นเตือนใจเขาตนอย่างนั้นเพราะใจในมันหลงสิ่งต่งางๆในโลกนี้เริ่มตั้งแต่ร่างกายนี่เนี่ยออกไป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 อา้าวนั่นเมียเรานั่นลูกเรามันถือมันอยู่งั้นแหละจนวันตายนู่นมันก็ยังถือว่าเราจะตายภาคจากลูกเมียจากลูกเราเมียเราเน่นความหลงอันนั้นนะเอื่อว่าแต่มันจะหลงอยู่ในเมื่อเวลายังปกติอยู่นี่เลยเวลาจวนจะสิ้นล้มนั่นก็ยังว่าของเราอยู่ นี่ตงพารณาดูให้ดีไอ้จิตที่มันหลงอย่างนี้มามันนับชาติไม่ทวนแล้วที่ร่วงแล้วมาเมื่อวันนี้เราได้มาฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วแล้วเมื่อมาภาวนาเพ่งพี่ณาดูนะ่ะมันก็เป็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา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 มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ย้่ำไปเมื่อตายไปแล้วอุปทานความยึดมั่นในรูปในน้ำอันนี้ยังมีอยู่มันก็เป็นตัวกำนำให้ไปเกิดกับรูปกับน้ำอันนี้แหละอีกเกิดมาแล้วพอมาเผชิญกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนในยากลำบากอยู่อย่างนี้แหละ ขาใจพบใจก็ดีถ้าว่ามีความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาเวลาใดโรคภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับแล้วถือว่ามีความสุขสบายดีเวลานั้นสำหรับคนหนุ่มคนสาวแล้วสนุกเพลิดเพลินซะเต็มที่ นึกว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายนี่แหละในขณะที่เปลิดเพลินมัวเมาไปในการมคุณเช่นนั้นนะก็ไม่ไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ทำความดีอะไรใจมีแต่ไปจดจ่ออยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเคิงสัมผัสที่ตนรักใครพอใจต่างๆนั้น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 ที่ไหนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามก็ไปหวานพืชคือให้ทานลงในที่นั้นจะ ใ, ใกล้ก็ไม่ว่าใกล้ก็ไม่ว่าเพราะว่าทางรถทางลามันไปได้แม้แต่ปากภูเขาขอขอเรากลอมก็เขาก็ทำไม่ถึงอันนี้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 ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญสุนทานได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่ในใจผู้ที่ไม่ได้ภาวนานะผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปก่อนเจ็บป่วยไข้ก่อนยังชั่วน่อยได้ภาวนาได้กำหนดรู้เท่าได้กำหนดรู้เท่าสังขารร่างกายนี้ อยู่เสมอไปงั้นเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมันก็กำหนดรู้ได้ว่า น, นี้รู้เท่าได้พออดก็อดพอทนก็ทนไม่แสดงอาการทุรุนทุ ร, รายเกินขอบเขตไอ้ผู้ที่ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของมุติเจ้า ว, ว่าทุกนะ่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า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 หาทางออกทางไหนไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายนั่นะคนไม่รู้เท่าทุกเนะอือก็คิดสั้นนะ่ะคิดฆ่าตัวตายเมื่อตายไปแล้วเราจะสบายความเข้าใจอันนั้นเนะที่จริงเข้าใจผิดนี้มันจะตายอะไรมันมันจะสบายอะไรอะ่ะ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 ตนเองก็เป็นสัตว์โลกกับเขาผู้หนึ่งอย่างนี้ตนเองคิดฆ่าตนเองมันก็เท่ากับคิดฆ่าผู้อื่นนะเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นั่นเองเนะพูดง่ายอะ่ะเนมันจะได้สบายยังไงไปโลกหน้ากรรมเวนี่มันก็ติดสอยห้อยตามไปนำไปสู่นรกอบายภูมินูนห่อนจากนารกมาเอ้า กรรมนันมันยังไม่หมดมันก็ติดซอยห้อยตามมาถึงเวลานั่นมาแล้วมันก็คิดฆ่าตัวตายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันคิดฆ่าตัวตายระวางไว้กลางคนพอเกิดไปชาติต่อไปนะไปถึงวัยกลางคนมันก็มีเหตุบันดาลให้คิดฆ่าตัวตายมันเป็นอย่างง น, นี้กรรมนี่นะมันยุติธรรมเหลือเกินเนี่ อ้มันอยากฆ่าตัวตายเจ้านี่ก็ให้มันฆ่าตัวตายพี่สักอยู่อย่างนั้นนะนี่มันต้องเรียนรู้ของหมูเนี้ยใครไม่เรียนรู้แล้วนึกว่าเราไม่เป็นไรหรอกยิงอยู่เวลามันกรรมมันยังไม่มาถึงกันนะมันก็ไม่เป็นไรแต่แตขั้นหากรรมเวรที่ตัวนี้ทำมาแต่ก่อนมัน มาถึงเขาแล้วนะ่ะนั่นแหละมันบันดาลให้เกิดอยากจะตายจากโรงนี้ไปเลยครับไม่อยากอยู่แล้วมีแต่เรื่องคับแคบใจแต่ถ้าหาว่าบุคคลใดเป็นผู้ได้ภาวนาได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าได้อย่างนี้ระลึกได้อยู่รู้ได้การฆ่าตัวตายมันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้ มันก็จะห้ามจิตใจตัวเองให้ได้ภาวนาทาความเพียรเข้าไปพื่อกิตนี้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแม้ว่ามันจะผิดหวังอะไรต่ออะไรก็ปล่อยทิ้งไปตั้งใจทำความดีไปใหม่ในเมื่อชีวิตยังเป็นอยู่เราก็ทำความดีได้ดีกว่าฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตายไปแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรนั่นคนมีปัญญาคนได้ภาวนารู้มีอุบายสอนจิตใจตัวเองเช่นนี้มันก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายคนเรานะแม้ <c oughs> <c oughs> ว่ามันจะได้ประสบภัยพิบัตอิอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามมันจะได้ประสบความผิดหวังอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตาม มันก็ไม่คิดค่าตัวตายเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงในโลกนี้จะให้มันได้สมหวังมาแต่ไหนหมายความว่าจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างไปนั้นมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงผู้ใดมีภาวนาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายอยู่เช่นนี้มันก็วันเทาความเศร้าโศกเสียใจ อันเกิดจากความผิดหวังนั่นได้มันก็ไปคิดฆ่าตัวตายนั่นเอยไอ้เรื่องมวกนี้นะ่มันควรรู้ไว้นะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนะี่ยควรบำเพ็ญควรมีอุบายสอนใจไว้เสมอให้รู้เท่าไว้มาถึงเวลามันวิบัติเข้ามาแล้วมันก็จะไม่ได้เสียใจเศร้าโศก มันจะไม่ได้ขุนเครืองให้ตัวเองจนถึงกับคิดฆ่าตัวตายนึกถึงชีวิตนี้เนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วมันสม่วยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอยู่ร่างกายสังขาร น, นี่นะอย่างนี้นะเรากำหนดรู้มันนะถ้าต้นเกิดความวิบัติมาร่างกายวิบัติขัดคล้องอะไรเท่าไไร แก้ไขไม่ถกก็แสดงว่ากรรมเวทที่ตนได้ทามาแต่ก่อนนั้นมันตามมาสนองเอาก็ทำอย่างไรได้ตนทาเอามันมาแล้วจะไม่ให้มันมาสนองไม่ได้เลยอ้าวก็แล้วไปตนทำเอามันมานี้กรรมชั่วก็ต้องอดทนส่วยผลแห่งกรรมชั่วนั้นไปมันก็มีเวลาหมดได้เหมือนกัน เมื่อมันหมดเขตของกรรมชั่วนั้นแล้วกรรมดีให้ผลสืบตอ่อมันก็สบายไปแบบ น, นี้นะ mm hmm. เพร อ, อย่างนี้แหละเรียกว่าผู้รู้ทำนะรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปรู้ว่าชีวิตของตนเกี่ยวข้องอยู่ในบุญและบาปอย่างไรก็ภาวนากำหนดรู้ mm hmm. เห็นตามเป็นจริงไป mm hmm. เช่นนี้แล้วมันก็บรรเทาทุกทางใจได้ แม้ว่าบุคลนั้นจัดประสบ ก, กับภัยพิบัติต่างๆหรือประสบ ก, กับความยากจนขนแค้นต่างๆก็ตามตนประสบ ก, กับความยากจนไม่มีเงินทองเข้าของจะใช้สอยบริโภคเหมือนอย่างคนอื่นเขามีก็มีเพราะวะทังไปอย่างนี้ก็หวนนึกถึงบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทามาแต่ก่อน จางเถ่ยขอนต้นเป็นคนตนีที่เหนียวไม่สงเ้อาะเกื้อกูลแก่ผู้อื่นเลยได้อะไรมาก็เอาไว้แต่บริโภคส่วนตัวนั่นแหละซึ่งจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากไม่มีหรือว่าที่จะธนุบำรุงสมณะพรามคือนักบวชผู้กระเพิชชอบโดยทำโดวยวินัยก็ไม่คิดไม่ทำ ทำก็นิ้นนิ้นนิ้นดหน่อยหน่อยพอเป็นอุปนิสัยให้ได้เกิดมาเป็นคน <c oughs> เท่านั้นแหละเกิดมาแล้วก็ไม่มีสติปัญญาอะไรอยากเงินนะทองได้หาอย่างไรมันก็ไม่ได้เพราะว่าบุญหนหลังมันไม่มีมันไม่มาหนุนท้องบางคนเนี่ยไม่เชื่อหรอก บุญอะไรมันจะมีอยู่หนหลังไปอาศัยแต่บุญหนหลังนะจะได้กินอะไรความเห็นบางคนบางพวกเป็นอย่างนั้นไงนั่นเรียว่ามันเห็นผิดไปจากคำสอนของพระเจ้าข้อที่ว่าปุเพกระตะพุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนใน อุทิธรรมทำอันเป็นไปเพื่อความเจริญสี่อย่างนั่นนะทำสี่อย่างนี้ดุดล่อรถนําไปสู่ความเจริญนี่แสดงว่าเมื่อขาดบุญกุศลความดีที่ตนทําไว้แต่ก่อนแล้วแม้จะมาทําความดีในปัจจุบันนี้อย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าไปได้ เพราะว่าบุญหนุนหลังไม่หนุนทรงถ้าถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่แล้วคนทั้งหลายมันก็ร่ํารวยเหมือนกันหมดอสิเพราะทำงานเหมือนกันนี่ <c oughs> แล้วทําไมมันถึงไม่ร่ํารวยคนบางคนนะบางคนทําไมถึงร่ํารวยนี่มันมีข้อแตกต่างกันอย่อยางนี้แต่ความเห็นของคนบางคนบางพวกก็ เห็นไปว่าเพราะเขามีมันสมองเขาทักษะเขาเก่งอะไรเขามีปัญญาเขาจึงหาทรัพย์ได้คนที่หาทรัพย์ไม่ได้ก็คนไม่มีปัญญานี่ศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ผมก็เห็นไปแค่นั้นแหละแต่แล้ว มันไม่ทบทวนดูทำไมละคนถึงไม่มีปัญญาบ่หนี้นั่นมันไม่ทบทวนดูนี่เปิดมาในปัจจุบันนี้นะทำไมมันถึงไม่มีปัญญาเรียนอะไรก็ไม่จำรู้ไม่ถึงเลยบ่หนี้นะมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเทจ้าเท่านั้นแหละรู้แจ้งเลยหัวแตกชาติก่อนอคคนพวกนั้นนะ เกลียดคร้านการศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกทางธรรมไม่เอาไหนอยากแต่สนุกสนานเกิดขึ้นมาแล้วยังหนุ่มยังแน่นไม่ขยันมันเพียนศึกษาเล่าเรียนอาศัยแต่พ่อแม่เป็นอยู่อกินอิ่มแล้วก็ไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวสมาคมกับ หมู่กับพวกไปดูมรสศพคระกันแต่เล่นกีฬามรสพอะไรต่ออะไรไปอย่งังไงเราไม่ใส่ใจในวิชาความรู้ต่างๆ้นว่าอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปไปเปิดหาอ่านแต่ไอเรื่องเงลิงร่มเรื่องสนุกสนานในกามคุณอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นเนี่ย ไอเรื่องที่เขาลงเรื่องวิชาความรู้การธรรมะหาเรื่องชีพอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่สอบใจอ่านเลยคนผู้ที่ขาดบุญกุศลในหนนหลังมาหนุนส่งน่ะเป็นองั้นน ะ, ะมีแต่กิเลสมันจูงไปในทางที่ไม่ดีแทนที่จะเที่ยวหาอ่านดู สำหรับผู้ครองเรือนตัวกา ร, กรเกษตรเขาลงไว้ช่องไหนเขาแนะนำอย่างไรบ้างอย่างนี้นะผู้มีปัญญาผู้นึกถึงตัวเองได้มันก็ต้องไปหาดูความรู้อย่างนั้นเขาแนะนำมาอย่างนั้นอย่างนั้นการปลูกพืชพันธุ์พัญยาหารต่างๆ่า ต, ต้องทำวิธีอย่างนู้นอย่างนี้เขาแนะนาไว้ เมื่อตนไปอ่านอย่างนั้นมันก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นอไปลงมือทําไร่ทําสวนกเกษตรกรรมต่างๆมันก็ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหรือว่าพวกที่ทําการค้าการขายอย่างนี้นเขาก็รลงอเรื่องผู้นั้นได้ทําการค้าขายอย่างนั้นแล้วได้ได้สําเร็จผล คือมีกำไรงามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ลงไว้เหมือนกันนะแต่ไม่ชอบอ่านอันนี้แหละคนเรามันจะมีความรู้มาแต่ไหนแล้ววันนี้แต่ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นการที่เรามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ โอกาสที่จะได้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจนะ่ะมันมีมากมายเหลือเกินเนี่ยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเกิดไปจากดวงจิตนี้ยิงอยู่บางคนก็อาจจะไม่ได้ทำความดีมาจะในฟังก่อนเช่นอาจจะไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้อะไรมาแต่ก่อนแต่เมื่อมารู้ตัวในชาตินี้แล้วก็ตั้งเท้าใหม่ ตั้งใจศึกษาเรื่อเรียนวิชาความรู้เข้าไปเป็นนักบวชก็เรียนวิชาความรู้ในทางศีลธรรมในธรรมในวินัยเป็นครือขัดก็เรียนความรู้ในทางโลกบา้างท า, างธรรมบ้างเพราะความรู้ในทางธรรมมันเป็นเครื่องคอยรักษาจิตใจอันนี้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว เมื่อใครมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วใจจะไม่ตกต่ําจะไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างั้นถ้าผูใ้ใดไม่มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วแน่นอนนะกิเลสมันฉุดคราไปในทางบาปอากุศลในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและไม่ไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่ว่ามาแล้ว อย่างที่บําเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จําพวกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะั่นบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้บําเพ็ญตนเป็นนักเลงสุรายาฝิ่นเฮโรอินกัญชาของเสพติดไชโทษต่างๆหมเนี้ชอบนักของมึนเมา่คําว่านักเลงได่ไหมยคราบว่ามันซ่องเสพเอาจนติดงอมแงมม จนว่าสูบนิดนิดนินหน่อยไม่พ อ, อผู้มีมากก็เหมือนกันนะถูกเขาหลอกไปเล่นไพ่เล่นทัวเข้าไปจนไม่ชำนาญเล่นเนี่ยเขามันชำนาญโกงมาพแรงไนะเขาก็เล่นเขาโกงเอาเสียนะเงินทัวเองมีเท่าไหร่ก็หมด มันคนโง่เพราะเล่นการพนันไม่เป็นมีเยอะเยอะเยอ ะ, ยอะถูกให้เขาหลอกเอาเงินไปขายวัวขายควายได้มาขายข้าวได้มาอขายของอื่นๆได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้ถูกให้นักเลงสุรามันหลอกอนักเลงเล่นการพนันมันหลอกไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวนะมีอยู่เยอะเยอ ะ, อะมูลนิคคนรู้ไว้ ก็เมื่อตนไม่ชํานาญนะไปเล่นนะมันจะสู้เขาได้ยังไงอ่ะเขามันจำเจมาพแรงอนะ่ะเขาพลิกแพงอะไรต่ออะไรได้ดีอย่างนั้นเมื่อผู้ใดเข้าใจรู้ตัวได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่หลงไหลไปตามคำชักชวนของบุคคลพานทั้งหลายเหล่านั้นนะ มันก็รวบรวมเงินทองไว้ได้เลนะบาบนี้น ะ, ะก็ยังไม่สายเกินไปอย่างว่า น, นั่นแหละคนเรานะเมื่อมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วบุญกุศลตกแต่งให้แล้วนะเรามีโอกาสที่จะได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปได้อยู่เว้นเสียแตบุคคลผู้ที่มีอายุร่างกายไม่ครบถ้วน ตาบอ่อถูหนวกแม้แต่แต่กำเนิดแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดมีโรคร้ายแดงบีดเวียนร่างกายทุกพลภาพมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะไอคนที่มีร่างกายวิบากอย่างนั้นเนมันทําความดีอะไรไม่ได้เลยแม้ทําความดีทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้นั่นเรียก ว, ว่ามันมาสวยวิบากกรรมมาที่ตนได้ทาําอำมาแต่ก่อนนู่น ไอผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเรียกว่ามันค้นจากวิบากกรรมอันนั้นมาแล้วถ้าผู้หนึ่งผู้ใดได้ทำกรรมชั่วมาแต่ ก, ก่อนก็นเรียกว่ามันได้ไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นหมดแล้วมนิกรรมดีมันอำนวยผลให้จึงได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีนี่ ตรงคิดเข้ามาดูร่างกายอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายอันนี้เน่ะมันเป็นบอ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลถ้าเราใช้มันทำความดีโดยถูกทางนะมันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลขึ้นมาจิตนี้ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้มันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลย อย่างถ้าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิบดิฉานแล้วอย่างนี้ลองดูสิมันจะทําความดีอะไรได้อ่ะอย่าไปเข้าใจว่าจะไม่ได้ไปเกิดกับสิ่งเหล่านี้นะกับร่างเหล่านี้ถ้าผูใ้ใดทําความชั่วลงไปในขั้นไหนความชั่วมันก็นําจิตไปเกิดในขั้นนั้นเละอย่าสงสัย แต่ผูรใดทำความดีในขั้นไหนความดีคือบุญกุศลมันก็นําไปเกิดมีความสุขสบายตามกําลังความดีที่แต่และบุคคลกระทานั่นเองดัง <c oughs> นั้นผู้ใดมานึกคํานึงถึงอัตภาพร่างกายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงไม่ยังยืนแต่ว่าบุญกุศลก็ยังอุปถัมภ์บำรุงไปอยู่เอื มันยังไม่ให้แตกตายทำลายไปก่อนในเวลาที่บุญกุศลยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่เราก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปฝึกกายวาจาใจคุ้มสนให้เป็นศิลให้เป็นธรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลมาไปเรื่อยๆไปเวลาใดก็เวลาบาเพ็ญบุญกุศล เรื่อยไปก็ต้องให้คิดอย่างนั้นอา้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนี้หมายความว่าครูนันละคมชั่วแล้วเมื่อละคมชั่วมีค่ า, าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นแ่ะทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปหมดทีนี่ มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วอย่างนี้นะมันก็ทําสวนทํานาโดยทางสุจริตได้พืชพันธุ์ันธอาหารมาขายได้เงินแล้วก็ไปซื้ออาหารอันไม่มีโทษอันมากเลี้ยงตัวเองและครอบครัว อ, ออยู่เย็นเป็นสุขไป <c oughs> อืย่างนี้แหละถ้าากว่าพอใจในการ เข้าสัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนี้นะมันก็วางแผนนึ่งเดียจะไปจับสัตว์มาเลี้ยงชีพทเท่านั้นเองอย่างเช้าประมงอย่างนี้นะนั่นไนงะมันก็ไปสร้างเครื่องดักสัตว์สร้างเครื่องจับสัตว์น้ําสัตว์บกอะไรเท อ, อะไรขึ้นมามันก็หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยปาดปาดชีวิตของสัตว์อื่นมาอยู่เงั้นมันก็มีบาปติดตัวพอกหนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแ่ะคนไม่มีปัญญาทำมาหาอาชีพโดยไม่ต้องผิดศีลผิดธรรมมันทำไม่เป็นเสวงหาไม่เป็นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เป็นผู้ครองเรือนนะ ก็ต้องเลือกอาชีพอาชีพอันใดที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็จึงค่อยทำอาชีพอันนั้นไปอาชีพใดแต่มันเป็นบาปเป็นโทษเพราะพระเจ้าทรงห้ามเราก็เว้นเสียอย่างนี้นะคนมีปัญญาในะมั็หาอุบายเว้นจากกรรมอันชั่วพยายามทาแต่กรรมดีๆเนี่ยเมื่อได้ร่างกายอันบุญกุศลตกแต่งนี้ให้มา เราเว้นจากกรรมชั่วได้แล้วทำอะไรไปมันก็เป็น ก, กรรมดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยเป็นบุญเป็นกุศลก็ทำนาเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอามาใส่บาทรถวายทานตกจากถวายทานแด่พระสงฆ์สามเณรให้คนยากคนจนไปบ้างอะไรพวกนี้นะนมันก็ได้บุญได้กุศลไปกับพ่อการงาน ที่เราทำโดยชอบนั่นแหละทำนามันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรทำสวนได้พืชผักผลไม้ต่างๆมาขายบ้างกินบ้างให้ทานบ้างาเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างงี้แหละในการกานอื่นๆถ้าโดยทานสุตรจริตแล้วนั่นก็เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างว่านี่ไ แต่ถ้าจะขอบปลยเอาไว้เลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันนี้เท่านี้และไม่นึกถึงอนาคตเบื้องหน้าต่อไปเมื่อตนยังไม่สิ้นกิเลสห่างนี้เมื่อตนตายจากโรกนี้ไปเกิดโลกหน้าถ้าตนไม่มีบุญตามส่งเสียแล้วตนจะมีความสุขมาแต่ไหนอืเนี่ยผู้ใดนึกถึงตนได้อย่างนี้มันมันก็สั่งสมบุญกุศลไว้ สิ่งงานเดนมาใครนึกถึงตัวเองไม่ได้บางคนก็เกิดความเห็นผิดตายแล้วศูนย์ไม่เกิดอีกผู้เห็นว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทำความดีอะไรแล้วไม่ทำบุญกุศลเผื่ออนาคตแห่งชีวิตอะไรเลยเก่มันเป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิวาสอันนี้นะ เนียว่าผู้ที่เกิดมาในโลกนี้นะถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าแนละ้วมีแต่หลงแต่เมาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าบุคคลในโลกนี้ทำบาปกรรมมากมายกายกองคนทาบุญทำความดีมีน้อยอ คนทำคำชั่วมีมากตายแล้วก็ไปเอออดกันอยู่ในนรกเหมือนเข้าสารยัดอยู่ในไท่เลยอย่างนี้มีอยู่ในตำราจริงๆเ <c oughs> <c oughs> มืนเมื่อเราสังเกตดูมันก็พอที่จะรู้ได้นะที่พระองค์เจ้าแสดงไว้นะมันมันก็เห็นได้ชัดคนในปัจจุบันเนี่ยไปทำชั่วนั้นมากกว่าคนที่ทำดี หมายความว่าทำดีนั่นต้องทำดีให้สม่าเสมอไปนะไม่ใช่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างผลเปลียกันไปอย่างนั้นนะมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างนั้นเลยหกคนทำชั่วหมายความว่าทำความชั่วเรื่อยไปความดีนั่นทำน้อยนิดเดียวหนึ่งบัดนี้มันก็ชู้ชู้อำนาจในความชั่วไม่ได้สิ เวลาจวนจะตายกรรมชั่วมันก็นําไปสู่นรกอบายภูมิก่อนไปสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในานรกนู่นนานแสนนานกว่าจะพ้นจากนรกมาสวยบุญที่ตนทำเล็กเล็กน้อยอันนั้นนะนว่าได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเนี่ยนะนะเกิดมาเป็นคนก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไร มัวแต่ไปตกนรกทนทุกทรมานอยู่จิตใจเศร้ามองคุณมัวความเป็นทุกข์หลายนี่มันจะเบิกบานอะไรได้อยู่นั่นนะนั่นต้องสาวพูดทั้งหลายควรกลัวต่อนรกไว้เสมอเสมออย่าปฏิเสธเลยพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดง ให้คนทั้งหลายหลอกก็องที่ไม่หลอกลวงคนสิง่งใดเห็นแจ้งประจักษ์จริงๆจึงนำมาแสดงอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นไม่ใช่อื่นไกลล่ะมารักษาเอาจิต ด, ดวงเดียวนี่แหละให้ได้มันกาวโดยสรุปใจความแล้ว <c oughs> ก็เมื่อเรารู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าบุคคลไม่ รักษาจิตตัวเองให้มั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นอย่างนี้จิตใจมันก็หันไปทางชั่วอีกแล้วเนมันไปอย่างนั้นเดิมมานะ่ะดังนั้นเราจึงต้องรักษาจิตนี่ให้มันเชื่อมั่นอยู่ในผลแห่งทานผลแห่งศีลผลแห่งภาวนาผลแห่งการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆหมูนี้ อันนี้เชื่อมั่นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนำตนในพ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเราต้องทามความเชื่อมั่นในใจอยู่อย่างนี้ใจมันถึงไม่หันเหไปในทางบาปอกุศลก็ เ, เรียกว่าภาวนานั้นไปรักษาความดีของตนไว้อย่าใสยความภาคเพียนพยายาม เราจะไปทำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วจะให้ใจมันตั้งมั่นไม่ให้มันหันเหไปทางชั่วไม่ได้เพราะว่ามันหลงมันเมามานานแล้วมันไม่เฉพาะมาหลงแต่ชาติเดียวเท่านี้ชาติหลังๆที่ลงมาแล้วมันก็ลงก็เมาเห็นผิดเป็นชอบมานานแล้วเหมือนกันดังนั้นพอมารู้ตัวในชาตินี้นะเราจะมาทำความเพียร กำจัดกิเลสปปาประธรรม น, นิดหน่อยๆ อ, อย่าให้มันหายไปนะไม่ได้ต้องผากเปลียนไม่ยามปาอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยเลยได้วันนิดวันหน่อยก็เอาแต่ว่าคืบคานไปเรื่อยไม่ถอยหลังอย่างนี้นะจึงสมกับพุทธภาษิตที่ตรัสว่าวิริเยนะทุกขะมัจเจติ บุคคลจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรหมายความว่าใจนะั่นแหละรักษาใจไว้อย่าให้ใจมันอ่อนแอทอดแท้ต่อข้อวัดปฏิบัติ ใ, ให้ใจมันดูดลึมอยู่เสมอนี่สําคัญมากนะถ้าปล่อยให้ใจนี่เบื่อหน่ายต่อข้อวัดปฏิบัติมันก็อ่อนแอทอแท้ไป มันก็งดแหละวันนี้ไม่ทําข้อวัดปฏิบัติแล้วมีความดีมันก็ไม่เจริ่งงอกงามขึ้นได้เพรความเกลียดคล้านนี้บุญกุศลสติปัญญามันย่อมเกิดจากการกระทําอ่ะการกระทําคือคือเพียนเมตยามละสิ่งที่ชั่วอันมันห ม, นมกหมุ่นอยู่ในใจนี่ออกไปหมายความว่าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นมาแทนอืม เมื่อละความไม่รู้ความหลงออกไปสติปัญญามันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้นะเมื่อละความโกรธความยบบาทออกไปความเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เกิดมาแทนอมืมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อละความตนีหงเห็นความเห็นแก่ตัวต่างๆออกไปจา ก, กจิตนี้จิตนี้มันก็เปลี่ยมไปด้วยมเมตตากรุณา เพื่อเพื่อเผื่อแพ้แก่คนที่บุคคลที่คนให้คนเผื่อแพ้นี่บุญมันก็รู้แต่เป็นบุญกุศลทางนั้นเออถ้าหาว่าไม่ทำร่าสิ่งที่ชั่วออกจากขีดใจได้ก่อนบุญกุศลอย่างว่านี่มันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่พอใจที่จะทําความดีเหล่านี้ถ้าความชั่วยังมีอยู่ในใจอนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พากัน ตั้งอกตั้งใจมีความภาคเพียรพยายามรักษาจิ ต, ตัวงนี้ให้มันตั้งอยู่ในบุญในกุศลในศีลธรรมในธรรมในวินัยคำสอนของพพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญดังกล่าวมา